ทราบกันดีอยู่แล้วนะเป็นวันมาคาบูชาเป็นวันที่ระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อประมาณ 2,600 4ปีนะสอสี่ปีที่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะในวงการพุทธศาสนาเหตุการณ์นั้นเราเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต นะหมายถึงการประชุมที่ครบองค์สี่นะองค์สี่นั่นก็ได้แก่นะเป็นวันวันเพ็ญนะเดือนสามวันที่ประจันเต็มดวงเป็นวันที่พระภิกษุหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เมียพิญญาหก ปิญญาคือความสมารพิเศษทางจิตเช่นหูทิพ ต, ตาทิตนะทายใจคนได้มีอิทธิวิธีและที่สำคัญก็คือว่ามีอสวรขยญาณก็คือความรู้จรแจ้งที่ทำให้หลุดพ้นทำให้สิ้นกิเลสนะปรปการนี้คือเป็นพระภิกษุที่พู้เจ้าทรงบวทรงบวช ด, ด้วยพระองค์เองเรียกว่าเอกภพุสมัยก่อนการบวชก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพระเจ้าเพียงตัดตัดว่าเนี่ย ท่านตรงมาเป็นภิกษุเถิดนะทำมันเรากล่าวดีแล้วนะก็ให้ขอให้มานะมาบวชหรือว่ามาดําเนินชีวิตพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบอะไรชีวิตพรหมจรรย์หรือมาบําเพ็ญพรหมจรรย์ก็คือนี่แหละก็คือการครองเพศอย่างนักบวชอันนี้ถ้าเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าระดับต้นที่ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ ผู้เจ้าบอกเนี่ยมาประพฤติพรหมจรรยนะ์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบแต่ก็มีพระอรหันต์บางท่านนะท่านบรรลุอรหัตผลก่อนที่จะมาบวชพุทเจ้าก็เพียงแต่ตัดว่านนะท่านจงมาเป็นภิกษุเถิด น, นะทำมันเรากล่าวดีแล้วจงมาประพฤติพมจรรย์แค่นี้ก็พอละเพราะว่าท่านได้ ทำที่สุดแห่งทุกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าเอกขูนะจริงๆวันนี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรนะได้บรรลุอรหัตผลก่อนที่จะมีการประชุมที่เรียกว่าจาตุลงสันติบาลนีนะ่ท่านก็ได้นะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่ฟัง พระเจ้าแสดงธรรมให้กับอธิคณัขะปริพาชกเนี่ยซึ่งก็เป็นญาติเป็นอาบ้งพระเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้ท่านฟังโดยตรงแต่ท่านฟังแล้วท่านก็ก็เห็นแจ้งนะในสัจธรรมก็เป็นพระอรหันต์นะในวันนั้ น, นอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเกร็ดนะคนนี้เนี่ยที่จริงสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ ความรู้เพื่อประดับสติปัญญานะชาวพุทธควรจะรู้ไว้นะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ควรรู้เนี่ยที่สำคัญกว่าก็คือธรรมะที่พระเจ้าตรัสนะในวันนั้ น, นที่เรียกว่าอวาทาัทปาติโมกนะนะซึ่งก็ไม่ได้ยาวอะไรนะถ้าเทียบกับปฐมเทศนานะธรรมจักกับวัตนสูตรนี่ยาวแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ว่าวาาัฏปาติโมกนี่ ไม่กี่บรรทัดเองนะยี่สิบบรรทัดได้ม้งแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรเลยแต่สำคัญนะสำคัญในวันมาคบูชาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจาตุลงกสันธิบานี่มันได้แก่อะไรบ้างแต่ก็ขอให้ตระหนักถึงสาระของธรรมะที่พรที่พระองค์ได้ตรัสนะในวันนั้นที่เรียกว่าโอวาทปาติโม มีความสำคัญมากเพราะผู้จ้าเนี่ยได้ทรงสรุปนะขั้นตอนหรือว่าสาระของการปฏิบัตินะเพื่อการมีชีวิตที่ดีงามหรือจนถึงขั้นการหลุดพ้นจากความทุกข์เลยนะบางทีคนไทยเราไม่ค่อยได้ได้ได้เข้าใจนะโอวาทปฏิมโมกหรือว่าสาระที่พระองค์ทรงสแสดงเวลามีคน มาถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรนะเช่นคนศาสนาอื่นก็ดีหรือว่าคนต่างชาตินะคนไทยไปเรียนเมืองนอกเขาก็ถามพุทธศาสนาสอนอะไรนะพอสมัยก่อนนี่ฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาสมัยนี้พุทธศาสนาก็เป็นที่แพร่หลายแต่ก็ทําให้คนเกิดความสนใจว่าเออแล้วพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรพุทธศาสนาเนี่ยมีสาระสาคัญอย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าผู้าศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีจบนะแค่นั้นแหละซึ่งถ้าพูดเท่านี้เนี่ยมันก็คงไม่ต่างจากาศาสนาอื่นนะเพราะาศาสนาอื่นก็สอนให้ละชั่วทำดีนะแต่อย่างที่เราสวด น, นะมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีข้อสามด้วยนอกจากการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลถึงพร้อมแล้วเนี่ยก็คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบละชั่วทำดีนี่มันสองข้อแรก คนเราเนี่ยนะแม้จะทำดีและไม่ทำชั่วแต่ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นนะในที่นี้หมายถึงความทุกข์ใจหลายคนก็ทำดีนะแล้วก็ความชั่วก็ละเว้นรักษาศีลแต่ก็ยังมีความทุกข์นะทุกเพราะอะไรนะทุกเพราะว่าทำดีแล้วไม่มีคนเห็นความดีของเรา เวลามีคนตอบว่ามีคนเหน็บแนมก็ทุกข์เวลาเราช่วยเหลือใครแล้วเขาไม่สํานึกบุญคุณของเราเขาไม่เห็นความดีของเราเขาไม่ตอบแทนคุณของเราก็ทุกข์นะมันทีเจ็บแค้นด้วยคนที่ทําดีหลายคนเนี่ยเจ็บแค้นนะเพราะว่าไอคนที่เราช่วยเนี่ยเขาไม่เห็นหัวเราพอเขาได้ดิีได้ดีแล้วเขาไม่เห็นหัวเราเนี่ยเราช่วยทําดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขนะ แน่นอนเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะแต่ว่าถ้าทำแค่นี้ก็ยังมีความทุกข์บางคนนะทาดีมีความซื่อสัตย์จริตแต่ก็เน้อเนื้อต่ําใจว่าหรืออิจฉาคนหนึ่งเขารวยนะแต่เรานะจนนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนของคนดีหรือคนทำดีนะ ทำดีแล้วไม่มีใครชมก็ทุกข์ทำดีแล้วมีคนดา่ามีคนว่าก็ทุกข์ยิ่งมีคนใส่ร้ายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เนะอันนี้เพราะเราเลยข้อที่สามนะก็คือการชรําระจิตของตนให้ข่าวรอบอ่าบางคนทําดีนะเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่ว่าลูกเกกงไม่เหล็กเกเรหรือว่าลูกอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าลูกไม่ทําตามความต้องการของพ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้ลูกนะ เรียนโรงเรียนดีๆหรือว่าเรียนในคณะที่มีอนาคตแต่ลูกไม่สนใจเรียนมหาวทยาลัยนะลูกอยากจ ะ, ะจบมหกก็อยากจะทำงานแม่ก็กุมใจเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนดีนะความทุกข์ของแม่ที่ดีพ่อที่ดีเพราะว่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราเชื่อฟังคำสอนของเราทุกอย่าง อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทำดีแค่ไหนเนี่ยนะพอเจ็บพอป่วยเข้าก็ทุกข์ทำไมนะถึงต้องเป็นชั้นฉันทำความดีมาทั้งชีวิตนะให้ทานรักษาศีลแต่ทำไมถึงเป็นมะเร็งทำไมถึงพิ ก, การเป็นอมภพุกอมภพาดเนี่ยอันนี้ก็ทุกข์ของคนดีเหมือนกันหรือว่าทรัพย์ ส, สินเนี่ยถูกไฟไหมนะ้น้ำท่วม ก็เสียใจกลุ่มอกอกลุ่มอกกลุ่มใจบางทีถึงค่าตัวตายก็มีหรือว่าถูกโกงเนะีนะ่ยเสียใจมากเนะี่ยทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเจอความสูญเสียบางทีไม่ใช่แค่สูญเสียของรักอาจถึงข่านสูญเสียคนรักก็ทุกข์อีกนะฉะนเพียงแค่ละช่วยทำดีนี่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันให้มีความสุขหรือว่า ไม่มีความทุกข์ใจนะแต่ถ้ามีข้อที่สามเนี่ยนะการชำระ จ, จิตของตนให้ข่าวรอบนะชำระ จ, จิตไม่ให้มีกิเลสไม่ให้มีโลภะโทสะหรือโมหะหรือถึงมีก็มีแต่น้อยทําดีแล้วก็ชำระ จ, จิตด้วยก็คือการฝึกจิตฝึกใจเราเงินเดือนไม่มากคนอนื่นเขาจะรวยยังไงก็ เ, เป็นเรื่องของเขาเราไม่ทุกข์ ไม่เกิดความโลภไม่อิจฉาเขานะเราฝึกจิตไวจนกระทั่งนะใครจะต่อว่าเรายัางไงใส่เราย่ยางไงเราก็ไม่โกรธนะเราช่วยเหลือใครเขาไม่เห็นความดีของเราไม่เห็นหัวเราก็ไม่แค้นนะเพราะว่าชาระจิตไม่ให้มีความจนกระทั่งความโกรธมันเลือนนะไปจากจิตใจหรือว่ามีน้อยลง เจ็บนะป่วยนะสูญเสียคนรักของรักก็ไม่ทุกข์เพราะว่านะขะจัดโมหะออกไปจากจิตใจไปได้มากแล้วนะเกิดปัญญาขึ้นมาแทนที่ว่าเออมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นเองคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องสูญเสียคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องสุดท้ายสิ่งที่เรามีก็ต้องจากกันถ้าไม่จากเป็นก็จากตาย จากเองคือจากตอนที่เรายังเป็นเป็นอยู่หรือมิฉะนั้นก็พอตายเนี่ยก็ต้องจากกันอยู่นั่นเองนี่ถ้าเกิดว่าเรานะชำระ จ, จิตเนี่ยให้โลภะโทสะโมหะมันเบาบางเนี่ยตรงนี้แหละนะที่ถึงจะมีความสุขและห่างกายจากความทุกข์ชาระใจชําระจิตให้ตัณหามานะทิฏฐิมันเบาบางสามตัวเนี่ย ตัณหามรรณัติกับโลภะโทสะโมหะมันก็ใ ก, กล้กระนั้นนะถ้าเราสามารถทำละใจให้ตัณหามันน้อยลงเราก็ไม่มีความทุกข์นะเพราะความอยากมีอยากได้คนทําดีเนี่ยละชั่วทําดีก็ยังมีความอยากนะถ้าหากว่าไม่ได้ขัดเกลารตัณหาแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์นะหรือว่าพอเสียไปก็ทุกข์มีมานณะนะทําดีบางทีมีมารณะนะ ฉันเป็นคนดีนะไอ้พวกเธอนี่หรือพวกแกนี่ไม่ดีเหมือนฉันฉันศีลแปดแกมันศีลห้าเวลาเถียงกันสู้เขาไม่ได้เหตุผลสู้เขาไม่ได้ก็ก็มาข่มขู่เขาว่าเนี่ยฉันศีลแปดเธอศีลห้น 5, ไม่ต้องเถียงฉันนะอันนี้มันเรียกว่าทิฏฐิมานะเนีเย่ยคนดีก็มีอย่างนี้เยอะนะเราช่วยทาดีแต่ว่าบางทีคนหนึ่งก็ระอา เพราะว่าเขาทำตัวเหยียดคนอื่นว่าไม่ใช่เป็นคนมีศีลไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนดีนแกมันกินเหล้าสูบบุหรี่นะอันนี้ก็เรียกว่ามีมารนะเกิดความหลงตัวลืมตนคนอยู่รอบข้างก็ไม่มีความสุขบางทีคนที่อยู่รอบข้างก็อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยานะพอคนรักเข้าวัดพอสามีภรรยาเข้าวัดเข้าวัดไปเข้าวัดมานี่ กลายเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ดูหน้าตาเคร่งเครียดนะแล้วก็ยกตนข่มท่านนะเพราะว่าหลงในความดีของตัวอันนี้เรกว่ามีมานะนะเราช่วยทำดีนี่นะมันอาจจะเผลอทำให้มานะเข้ามาครองใจก็ต้องรู้จักนะชำระใจให้มานะมันเบาบางทิฏฐิก็เหมือนกันความเห็น คนดีบางทีก็ยึดติดในความเห็นของตัวเพราะเห็นว่าฉันดีไงฉันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นความเห็นของฉันมันก็ต้องดีไปด้วยใครที่เห็นไม่เหมือนฉันคิดไม่เหมือนฉันก็แสดงว่าคิดไม่ดีไม่ถูกนะฉันเป็นคนดีความคิดของฉันต้องดีนะคนที่คิดต่างอย่างฉันก็คือคนไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีนะแบบนี้มีเยอะนะเราเห็นอาจจะเห็นโดยเพราะในนะอย่างเพื่อนผู้ที่ เป็นผู้กอ่อการร้ายเนี่ยที่เราเรียกผู้กอ่อการร้ายเนี่ยพวกนี้เขาก็เป็นคนที่เรียกว่าศรัทธานในาศาสนามากนะประพฤติตามกฎข้อบัญญัติของาศาสนาอย่างเคร่งครัดนะแต่พอใครเนี่ยคิดไม่เหมือนเขานะทไม่เหมือนเขาจะเป็นเพราะอยู่ในาศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายหรือนิกายเดียวกันแต่ว่าไม่ปฏิบัติเคร่งครัดเหมือนเขาเขาก็จะ รังเกียจถึงขั้นเกลียดชังบางทีจับไปฆ่าก็มีนะนที่ก่อสงครามนะเอาระเบิดไปคว้างหรือว่าเป็นระเบิดพลีชีพจับคนมาตัดคอกรีดเชือดคอเนี่ยนะผู้นี้เนี่ยผู้นี้เป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติตามหลักศาสนาของเขามากเลยแต่ว่าเขามีทิฐิสูงมากนะชาพุทธที่เป็นแบบนี้ก็มีไม่น้อยนะอันเนี่ย แค่ทำดีและละชั่วมันไม่พอนะมันต้องชาระติจจของตนให้ขาวรอบให้ใสก็คือว่าโลภะโทสะโมหะมันเบาบางหรือว่าตัณหามนติทีิเนี่ยมันเจือจางลงบ้างจึงจะมีความสุขนะจึงจะห่างไกลจากความทุกข์เั้นเวลาใครมาถามพุทธศาสนาสอนอะไรนี่อย่าตอบเพียงแค่ว่าละชั่วทำดีแล้วนะต้งสอนต้องพูดตอไปว่าเออเพื่อพุทธศาสนายังสอนให้ ทำจิตให้บริสุทธิ์หรือชำระจิตให้ขาวรอบครนี้สามข้อนี้เนี่ยก็จะตามมาด้วยนะคำแนะนำะที่มาช่วยเสริมนะโดยเฉพาะ6ข้อสุดท้ายเนี่ยนะการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายเนี่ยไปยถึงการความหมาประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอันนี้เป็นส่วนเสริมส่วนอธิบายซึ่งสำคัญเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันจะมีอยู่3ามสี่ประเด็นหมายถึงเป็นข้อพึงปฏิบัตินะสามสี่สามสี่อย่างสาสี่ประเภทข้อแรกก็คือพระเจ้าสอนเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่คืออะไรก็นอนและนั่งในที่องสงบนะไอ้นอนและนั่งนี่หมายถึงนะการมีชีวิตอยู่นะในที่ที่สงัด เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนไม่ชอบนะนะถ้ามสงงาสงัดเนี่ยโอ้ยอยู่ไม่ไดนะ้ชอบอยู่ในเมืองเพราะมันอึกกระทึกคลกโครมดีและเดี๋ยวนี้ที่สงบส ง, งัดก็หายยากนะแม้แต่ในชนบทในหมู่บ้านนี่มันก็มีเสียงกระทึกคึกโครมบางทีเสียงดังมันไม่ได้มาจากข้างนอกนะมันมาจากในบ้านนั่นแหละมีโทรทัศน์นะมีวิดีโอเปิดคาราโอเกะนั่นนะ เนี้หลายคนเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เปิดโทรทัศน์เอาไว้เนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีเปิดโทรทัศน์ค้างเอาไว้เลยจะได้หลับพอถ้าปิดโทรทัศน์ไม่มีเสียงมาหละมันนอนไม่หลับนะชีวิตแบบนี้นี่มันหาความสงบในจิตใจได้ยากนะฝันก็ไม่ใช่ฝันดีเดี๋ยวนี้ความสงบสงัดเป็นของมีค่ามากจะหาที่สงบสงัด น, นี่ยากนะไอ้สงบสงัด น, นี่มันไม่ใช่แปลว่าไม่มีเสียงดังอย่างเดียวนะ สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารอบบ้านจะไม่มีเสียงดังในบ้านก็ไม่ได้เปิดโทรทัศน์แต่ว่าบางทีเราเปิดเราเล่น l ล n e เราเล่น a c e b o o k เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือไอ้ข้อความที่มันปรากฏมันไม่ได้ส่งเสียงอะไรนะแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยโหจิตใจรุ่มร้อนจิตใจว้าวุ่นจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่สงบสงัดล่ะสมัยนี้ความความสงบสงัดมันไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงดังอย่างเดียวนะ มันหมายถึงว่าไม่มีสิ่งร่าเรายาวยวนให้อยากหรือว่าสิ่งมายั่วยุให้โกรธแต่ถ้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดทั้งวันเนี่ยนะโหมันมีแต่สิ่งร่าเรายาวยวนให้อยากอยากได้นอนอยากได้นี่โฆษณาเพียบเลยหรือไม่ก็สิ่งยั่วยุให้โกรธนะมีข่าวคนของคนนั้นข่าวคนนี้ให้สัมภาษณ์นะโหมันร้อนเลยอันนี้เรียกว่าไม่สงบสงัดนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในที่สงบสงัดเท่าไหร่ถ้ามันจะมีความสุขได้อย่างไรข้อต่อมาเนะี่ยเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะั่นคือว่ารู้ประมาณในการบริโภคบริโภคนี้ไม่ได้หมายถึงบริโภคอาหารเท่านั้นนะเดีย๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบริโภคกันเยอะมากเลยวันละสามือม้อสี่มื้อนะแล้วสิ่งที่บริโภคนี้มันก็เต็มไปด้วยพลังงานอุดมไปด้วยไขยมันน้ําตาล และเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็คนเป็นโรคอ้วนน้ําหนักเกินนะเบาหวานโรคหัวใจนะเป็นกันเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยคนหิวโหยเยอะกว่านะแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาใหม่ก็คืออาหารมันมันล้นเกินนะต้องไปออกกําลังกายต้องไปรีดไขมันที่ฟิตเนสเนะีเสียเงินอีกนะบางทีสมัครสมาชิกแล้วไม่มีเวลาไปก็มีและไปแล้วนี่ยังเสียค่าสมาชิกเสียค่าสมาชิกไม่พอนะีเสียค่า โค้ดอีกนะเสียหลายทางเหลือเกินนะที่จริงมันก็แค่นิดเดียวคือว่ารู้จักประมาณในการบริโภคแต่ที่บริโภคนี่ไม่ได้หมายถึงบริโภคอาหารเท่านั้นนะบริโภคเทคโนโลยีบริโภคสิ่งเสพอย่างอื่นนะเช่นหนังเพลงนะหรือว่าโทรทัศน์โทรศัพท์รถยนต์บ้านอ่านะพวกนี้ก็เป็นสิ่งเสพสิ่งบริโภคเหมือนกันนะต้องรู้จักประมาณและเดี๋ยวนี้ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคนะ เทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้เราเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยกันไม่บรรยบัญยัยงและผลเป็นยังไงเครียดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับหลายคนติดโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเสพข้อมูลข่าวสารข้อความทางไล ne ทาง a c e บุ๊ k จนกระทั่งหลับนอนก็ไม่ค่อยหลับไปไหนถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โอ้ยจะลงแดงให้ได้ พอเสร็จติดเข้าไปแล้วเนี่ยพิจารณาดูดีนะความรู้จักประมาณในการบริโภคนีู่เจ้าตัดมาสองพหนึ่งรปีแล้วเนี่ยถึงทุกวันนี้ก็ยังมียังมีความสำคัญอยู่นะเพียงแต่ว่าเราต้องขยายความว่าการบริโภคนี่ไม่ใช่บริโภคปัจจัยสเท่านั้นเพราะสมัยนี้มันมีอะไรให้บริโภคเยอะไปหมดเสื้อผ้านะรองเท้านะกางเกงนะ ข้อมูลข่าวสารถ้าเราไม่รู้จักควบคุมนะให้รู้ประมาณหรือรู้จักความพอดีนะหาความสุขได้ยากนะนี่เป็นเรื่องความเป็นอยู่นะข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์นะเช่นไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะใครเขาจะว่าร้ายเราอย่างไรนะเราก็อย่าไปเผลอตอบโต้โดยการพูดร้ายเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างทุกข์ใส่ตัว แต่ที่จริงความไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายเนี่ยนะมันมีนัยยะว่ารวมถึงการพูดดีทําดีด้วยนะเพืเอ่อเพื่อเกอืเกอ้กอกูลผู้อื่นอันนี้เราเป็นเราเป็นไม่ว่าเราจะเป็นคารวาหรือคฤุหัดอ่าหรือว่าบรณฑิตเนี่ยนะก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อเป็นบนรรณชิตเลยผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่เชื่อไปเป็ น, เ ป, นเป็นส ม, มณะเลยอันนี้ก็จอะจงสําหรับบรรณชิตและส ม, มณะแต่ว่า ขรือขัดอย่างเราอย่างพวกเรานี่ก็ก็ต้องระลึกเอาไว้เพราะถ้าเราเกิดไปพูดร้ายทำร้ายไปทำสัตว์ให้ลำบากนี่มันก็เป็นวิบากกรรมนะมันก็ทำให้อยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีความสุขหลายคนตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นนะหนุ่มสาวยิงนกตกปลาเขานองนะแต่พอโตขึ้นรู้ดีรู้ชั่วมาพบธรรมะเข้ารู้สึกเสียใจนะ นะบางทีมันมีความรู้สึกติดค้างนะว่าเคยไปยิงนกนะบางทีก็ไปอยิงสัตว์เช่นหมาแมวด้วยความขนองนะพอโตขึ้นรู้จักธรรมานี่มันมีความรู้สึกติดค้างใจอันนี้ก็แย่นะทําตอนนี้ไม่มีไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยวิบากมันตามมาก็ทําให้ ไม่มีความสุขอะการต่อมาเนี่ยก็คือการรู้จักฝึกฝึกใจฝึกใจฝึกใจก็เช่นเนี่ยทำการการรู้จักอดทนคือขันติรนะวมทั้งที่สำคัญก็คือการมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็คือการฝึกจิตฝึกใจหรือการภาวนา น, นั่นแหละนะเราต้องคำนึงนะ ให้มันครบถ้วนปฏิบัติให้ครบถ้วนทั้งสามอย่างก็คือเรื่องความเป็นอยู่ก็ให้อยู่ในที่สงบสงัดนะรู้จักประมาณในการบริโภคคือรู้จักพอดีแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกลือกูลไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายนะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมภายในนะเช่นขันติรวมทั้งการฝึกจิตฝึกใจนะความมาประกอบในการทรําจิตให้ยิ่งก็ดีหรือว่า การชำระ จ, จริตของตัวในข่าวรอดเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันถือการหรือทําสมาธิภาวนาเพื่อทําให้จิตงอ่ง ง, งามปัญญาเจริญอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบอย่างแท้จริงเราทําดีเราไม่ทําชั่วเรามีวิชาความรู้เรามีการงานที่มั่นคงมีเงินเดือนมาก ไอ้พวกนี้มันไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าจะทำให้มีความสุขใจนะไกลจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จักนะภาวานาทำจิตให้ยิ่งนะโดยเพราะการเจริญสตินี่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราเจริญสติเนี่ยนะไม่ทำให้ให้ความทุกข์ในจิตใจนะเกิดขึ้นได้ยากไม่ทำให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเนี่ย เข้ามาบงการชีวิตของเราจนกระทั่งทําชั่วหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์กรัดกลุ้มร้อนรุ่มหรือว่าเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันก็มีน้อยลงคนเราเนี่ยนะจะมีความสุขได้เนี่ยหรือมีความสงบเย็นในจิตใจได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาพูดดีกับเรานะมันไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมัน เล่อเลอเพอร์เฟกนะมันเป็นไปดังใจมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนะควบคุมความคิดและอารมณ์ต่างๆได้เสมอไปแต่ถึงแม้มันจะมีใครพูดไม่ดีกับเรานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นความดีของเราเขาจะใส่ร้ายเรานะถึงแม้ว่างานจะมีปัญหาธุรกิจมีอุปสรรค นะถึงแม้ว่ามันจะมีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจนะมันมีความขุ่นมัวอารมณ์เกิดขึ้นมาในใจเราบ้างแต่เราก็สามารถสงบได้นะพอเรารู้จักฝึกนะฝึกจิตฝึกใจการเจริญสติเนี่ยนะอันนี้ต้องเข้าใจนะมันหลายคนมาที่นี่เนี่ยก็อยากจะมาหาความสงบแต่หลายคนก็ไปคิดว่า การทำสมาธิภาวนานโดยพระการเจริญสติเนี่ยหมายถึงการควบคุมความคิดหรือควบคุมจิตใจยังไม่ถูกนะเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เพื่อควบคุมความคิดแต่เพื่อไม่ยอมให้ความคิดเนี่ยมันมาควบคุมเราต่างกันนะบางคนเนี่ยเวลามาเจริญสติที่นี่เนี่ยโอ้อยากจะให้มันไม่มีความคิดฟุ้งซ่านมันไม่มีความ คิดอะไรมัวรบกวนเลยอยากจะให้มีแต่ความรู้สึก ด, ดีๆความคิดดีๆพอมาเจริญสติโอ้ยความคิดฟุ้งซ่านก็มีนะความขุ่นมัวบางทีความโง่ญหงิดก็เกิดขึ้นในใจก็สงสัยว่าทำไมนะมันถึงมีอาการแบบนี้ยิ่งไปพยายามไปกดข่มความคิดไปควบคุมความคิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่การเจริญสติเนี่ย ไม่ใช่เพื่อควบคุมความคิดนะแต่เพื่อไม่ยอมหรือไม่ปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันมาควบคุมเราก็คือว่ามันคิดก็คิดไปนะแต่ว่าเราไม่เชื่อมันนะเราก็แค่ดูมันเฉยเฉยนันะไม่ใช่ว่าทําแล้วจิตมันจะสงบนะมันก็ฟุ้งนะแต่ว่ามันฟุ้งก็ฟุ้งไปนะเราก็แค่ดูมันเฉยเฉยหลวงพ่อคเขียนบอกว่ารู้ซื่อๆนะรู้เฉยเฉย เห็นอย่าเข้าไปเป็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีแต่มันทำลารเราไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในลายนี้โอ้ยเราเชื่อมันมันก็ลากลูถูกังบางทีมันมีอารมณ์เกิดขึ้นด้วยนะอารมณ์มันก็มาควบคุมเราความกโกรธพอเกิดขึ้นมันก็ควบคุมเรามันสั่งให้เราด่าเราก็ด่ามันสั่งให้เราทําลายเข้าของเราก็ทําลาย พอมีความอยากเกิดขึ้นนะมันสั่งให้เราเนะ่ะขโมยเราก็ขโมยอันนี้เรียกว่ายอมให้ความคิดและอารมณ์มาควบคุมจิตใจของเรามาควบคุมชีวิตของเรานักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหโไม่มีความโลภแต่ว่ามันมีนะแต่ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้แต่ก่อนมันเคยควบคุมเรานะ จนกระทั่งเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าจนกระทั่งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าเกิดเรื่องเกิดราวคนอื่นแต่พอเรามาเจริญสติแล้วถ้าเราเจริญถูกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นก็จริงนะในใจแต่มันทำะารเราไม่ได้พอเราเห็นเราไม่คข้ไปเป็นนะเราไม่อยู่ในอำนาจของมันจริงๆแล้วคนเราไม่สามารถควบคุมความคิดได้นะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เพราะว่า อจิตใจมันเป็นอนัตตานะมันไม่อยู่ในอำนาจบัญชาของเราแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าไม่ปล่อยให้มันมารบกวนจิตใจเราไม่ปล่อยให้มันมาบงการชีวิตของเรานะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่หลวงปู่ดูลนตุลโลนี่ท่านเป็นท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของลงปู่มั่นนะคนก็ลือกันเชื่อกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็เลยมีคนถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านบอกมนะีแต่ไม่เอา ความโกรธมีนะแต่ไม่เอาก็คือว่ามันมีแต่มันมาทำอะไรเราไม่ได้มันมาทาอะไรจิตใจไม่ได้อันนี้เป็นอ น, นิสงส์ของการภาวนานะก็คือว่าเราไม่ปล่อยให้มันมาครองจิตครองใจหรือมารบกวนจิตใจมาบงการชีวิตเรามาควบคุมชีวิตเราอีกต่อไปนะอันนี้ต้องเข้าใจดีนะเราไม่สามารถควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ สั่งให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้หรอกเรายังไม่รู้เราจะสามารถอีกห้านาทีข้างหน้าหรืออีกหนึ่งนาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่ารู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยอมไม่ปล่อยให้มันมามาเมียมน้าเหนือเราอีกต่อไปในทอนเดียวกันเราไม่สามารถควบคุมเสียงให้มันสงบเราไม่สามารถจะควบคุมเสียงภายนอกให้มันไม่ดังให้เป็นเสียงที่สงบแผ่วเบา แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราไม่ยอมไม่ปล่อยให้มันมีอํานาจเหนือเราไม่ปล่อยให้เสียงนี่มันมาควบคุมวงการจิตใจของเรานะทำนี้ได้เพราะการภาวนาเพราะการเจริญสติมีใครบ้างที่คิดว่าสามารถควบคุมสิ่งว่าล้อนภายนอกให้สงบสงัดได้แม้แต่ในบ้านเราเองเรายังทำไม่ได้เลยเพราะบางทีลูกก็เปิดโทรทัศน์ดังบางทีสามีภรรยาล้วก็เปิดเพลงดัง เราควบคุมเสียงเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้นะก็คือทําให้เสียงเหล่านั้นเนี่ ย, ยไม่มารบกวนจิตใจของเรานะไม่มาบงการจิตใจของเราไม่มาทําให้เราเป็นบ้าไม่มาทําให้เราหงุดหงิดนะถ้าเราหงุดหงิดนะถ้าเราเครียดนะ่ะเป็นเพราะเรายอมให้มันมารบกวนจิตใจเรานี่ต้องสําคัญมากเลยนะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปยอมเราไปปล่อยให้สิ่งภายนอกจะเป็นคนจะเป็นเสียงจะเป็นเหตุการณ์มันมาควบคุมจิตใจบ ง, บงการจิตใจมาครอบงำจิตใจมารบกวนจิตใจเราแต่ถ้าเราไม่ยอมสักอย่างนะมันทําอะไรเราไม่ได้นะเราไม่สามารถจะควบคุมให้คนนะพูดดีกับเราได้ไม่สามารถจะควบคุมให้ ถนนหนทางการจราจรเนี่ยมันลื่นไหลได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าเราไม่ยอมให้ไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมารบกวนจิตใจมาทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์เพราะเรารู้จักนะเพราะเราเจริญสตินะจุดหมายการเจริญสติเคลื่อนนี้นะมันจะทําให้เราเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมจะไปโทษนสิ่งภายนอกนะถ้าเราทุกข์ก็เป็นเพราะใจเราต่างหากเมื่อ สมัยที่หลวงพอ่อหลวงพ่อชาญยงยังอยู่นะที่วัดหนองประพง์เนี่ยมันมีคราวหนึ่งนะหมู่บ้านเนี่ยซึ่งห่างไกลจากวัดไม่เกินสองกิโลคล้ายๆเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจากไกลหน่อยเขามีมหรสพกันนะคงจะเป็นงานศพนะแล้วก็พอมีงานแบบนี้เนี่ยมหรศพนี่ก็จะมีทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพลงลูกทุ่งหรือว่าหนังกลางแปลงหรือว่าหมอลำ ช่วงนั้นเนี่ยนะดึกแล้วเนี่ยนะเสียงดังก็ยังไม่เลิกหมอรัศพก็ยังส่งเสียงนะดังทั้งคืนเลยพระนี่นอนไม่หลับเลยพอรุ่งขึ้นก็พระก็เลยส่งตัวแทนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยไอ้หมอรัศพนี่นะจะมีก็ไม่ว่านะแต่ว่าพอถึงเที่ยงคืนเนี่ยหยุดได้ไหม พระจะได้มีเวลาหลับเวลานอนสามชั่วโมงเพราะตีสามจะต้องตื่นมาทำวัดผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมนะผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมทำไงอะ่ะพาะก็เลยส่งตัวแทนไปไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยนะเกรงใจหลวงพ่อชาแล้วก็คิดว่าหลวงพ่อชาคงจะเห็นด้วยเพราะท่านเนี่ยมักจะ ก, กำชับกำชาให้พระเนี่ยอยู่ในความสงบอย่าส่งเสียงดังพูดอะไรก็เบาๆหรือถ้าไม่พูดเลยก็ดี ท่านคงจะไม่เห็นด้วยกับที่ชาวบ้านเนี่ยส่งเสียงดังนะนะเพรา ะ, ะส่งตัวแทนไปคุยกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาผิดคาด น, นะนะถ้าไม่เห็นด้วยแล้วท่านก็บอกว่าเสียงเนี่ยไม่ได้รบกวนท่านนะท่านอาจจะรบกวนเสียงนะเข้าใจไหมหลวงพ่อชาไม่ไม่คุยกับไ ม, ไม่ไม่ไม่ไปไปบอกชาวบ้านว่าให้เลิกหมหรสพนะเที่ยงคืนแล้วเลิกนะ แต่ท่านเห็นว่าเนี่ยนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้พระได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพระเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงมารบกวนท่านนะแต่ว่าท่า น, นไปรบกวนเสียงก็คือไปทะเลาะบบาแยงกับเสียงนะไปยินร้ายกับเสียงนั้นนะเสียงมากระทบหูเนี่ยนะใจก็เพื่อมมีความหงุดหงิดนะอันนี้แหละที่ทําให้ทุกข์แต่ถ้าเกิดมีสติรู้ทันนะพอใจกระเพื่อมนะเพราะว่าเสียงดัง พอมีสติเห็นมันอ่ามันก็สงบลงเสียงดังก็ดังไปใจไม่ไปทะเลาะบอแฝงกับเสียงนั้นนะสักแต่ว่าได้ยินแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้นี่แหละคือจุดมุ่งหมายของการภาวนานะในพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อไม่ให้มีนะมีความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่เพื่อไม่ให้มีเสียงดังเกิดขึ้น แต่ว่าถึงมันจะเกิดขึ้นเสียงมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเสียงมันจะดังแต่ว่ามันทําอะไรจิตใจเราไม่ได้ความโกรธมีนะแต่ว่าทําอะไรเราไม่ได้เพราะไม่เอานะหลวงพ่อหลวง ป, ปู่ดุหลวง ป, ปู่ดูนท่านบอกเนี่ยมันมีแต่ไม่เอานะเสียงดังก็ไม่ไปทะเลาะ ก, กับมันทั้งการภาวนานี่คือการฝึกจิตนะเพื่อทําให้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องและนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขสงบเจนได้ นะโดยที่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่เป็นต้องไปเรียกร้องให้คนนั้นพูดดีกับเราให้คนนั้นให้คนนั้นคนนี้กดไลค์ให้เรานะใหค้คนนั้นคนนี้หยุดคอมเมนต์ได้แล้วนะหรือว่าให้รถมันเคลื่อนไหวสบายไม่รถติดนะผู้เจ้าเนี่ยแม้บอกว่าให้อยู่ในที่สงบสงัดนะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญไอ้ที่ที่เราอยู่มันไม่สงบสงัดนะถ้าเราฝึกจิตไห้ดีนะใจก็ไม่ทุกข์นะถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยนะ ออความเจ็บความปวดมันก็ได้แต่ทำให้กายเป็นทุกข์นะเดินไม่ได้ถ่ายไม่สะดวกหายใจมีปัญหาเพราะปอดเนี่ยเป็นมะเร็งแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้นะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเราไม่สามารถควบคุมให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่แก่มันไม่ป่วยแต่สิ่งที่เราทำได้ ก็คือการที่ไม่ยอมให้ไอความป่วยความแก่ของร่างกายเนี่ยมันมาบงการจิตใจของเรามารบกวนจิตใจของเราเราทำได้เพราะเรารู้จักเจริญสติจนเกิดปัญญาและปล่อยวางได้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หรือถึงปัญญาจะไม่เกิดชัดนะแต่ว่าก็มีสติรู้ทัน นะเวลาใจมันบน่นโวยวายตีโพยตีพายหรือว่าเวลาใจมันไปทะเลาะ ก, กับความเจ็บปวยมันไปทะเลาะ ก, กับมะเร็งนะมันไปทะเลาะ ก, กับ โ, โรคภัยไข้เจ็บก็ให้ใจมันอยู่เฉยเฉยนะไม่ต้องไปทะเลาะกับมันแค่รู้เฉยเฉยแค่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นอย่างนี้แหละที่จะทำให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นกับเรานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนะ ชั่มรัติของตัวนันใหขาวรอบหรือว่าความประกอบในการัำจิตให้ยิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติยิ่งถ้าเราเอาเอาคำแนะนําของผู้รู้เนี่ยในโอวัตปฏิโมทีท่ท่านบอกว่านี่ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมันยิ่งเนี่ยก็คือเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตนะแล้วก็ละชั่วทําดี หรือว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมนะไม่ทําบาปทั้งปวงแล้วก็พยายามฝึกจิตนะเพื่อให้มุ่งไปในทางนั้นก็คือมุ่งไปถึงพระนิพพานถ้าเรามีพระนิพพานในจุดหมายเนี่ยมันจะมีกําลังใจมันมีความเพียรในการนะความตั้งใจที่จะไม่ทําบาปทั้งปวงนะแม้จะมีสิ่งยั่วยุยั่วยวนยังไงนะเพียงแค่คอรับชันนิดหน่อยนะยอมคอรับชันนิดหน่อยก็รวยแล้วนะอันนี้เราไม่ทําเขาจะด่าเราอย่างไงนะ แต่ว่าเราไม่ด่าตอบทีแรกต้องฝืนใจกดกลั้นแต่ตอนหลังเนี่ยนะทีแรกฝืนใจกดกั้นพราะตั้งใจว่าจะไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายมันเป็นศีลตั้งใจว่าจะไม่ทําบาปล้วอาศัยขันติเข้าไปกดกลั้นแต่ตอนหลังพอฝึกใจพอฝึกใจดีนะมันไม่มีความโกรธเลยนะไม่มีความโกรธที่จะผลักดันทําให้พูดร้ายทําร้ายหรือว่าตอบโต้ก็ดา่าก็ด่าไปก็ทําร้ายก็ทําร้ายไป แต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกอยากจะตอบโต้เพราะไม่ได้เกลียดชังไม่ได้โกรธแค้นเพราะอะไรเพราะว่าชำระจิตของตนได้ขาวรอบแล้วและนี่แหละเนีที่นํนำพานจิตใจเราได้เข้าถึงพระนิพพานสรุปก็คือว่าโอวาทปานิโมเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากที่แม้ว่าจะยาวไม่กี่บรรทันนะั้นแต่ว่าถ้าเราพิจารณาใคร่ครวนเนี่ย ก็จะ เ, เกิดประโยชน์กับชื่อของเราแต่ถ้าเราลองทำลองปฏิบัติดูจนเกิดผลเนี่ยนะก็มัน่นใจได้ว่าชื่อเราเนี่ยแม้จะยังไปไม่ถึงพระนิพพานนะแต่ว่าจิตใจก็จะสงบเย็นเป็นสุขได้กนะ็พ อ, อสมควรแก่วเวลาและคำนี้ก็ข อ, อยุติเพียงเท่านี้